หรือที่เรียกว่าปัญญุฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายจึงทำมาปรญยุฐธธานะ มาจากคำว่าปล้นสะดมจนที่เข้าปล้นสะดมในบ้านเรือนของผู้ใดก็ทำให้เกิดความกาหนอนละมาน เลือดร้อนบุ่นวายสับสนเสียหายหรือตลอดถึงเสียชีวิตเลือดเนื้อกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจ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 เหมือนอย่างโจรเข้าปล้นทําลายทรัพย์สินต่างๆที่เใีเมือเป็นกิเลสอย่างกลางนั้นก็เพราะบังเกิดขึ้นในจิตใจไม่ถึงให้ละเมิดล่วงออกไปทางไตรทวานเป็นกรรม ลังกล่าวพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนิวนเอาไว้ก็คือการมฉันความพอใจและใครในกาม คือรูปเสียงกิ่นรถพตภัที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือว่าความพอใจรักใคร่ด้วยอํานาจของกรมคือความใคร่ความปรารถนาทั้งหลายพยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคืองทีนามิตะความงุ่งมูลเคลิบเพลิมอุทธจากรกูพุทธจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิจช้าความเคลือบแปลงสงสัยก็ย่อลง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 หรือปริยุทธานะกิเลสเหล่านี้เองไม่สงบไปจา ก, ก จ, จิตใจยังมังเกิดขึ้นอยู่ใน จ, ใจิตใจเป็นนิวอนอยู่ใน จ, ใจิตใจเป็นปริยุทธานะคือปล้นจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นจิตใจจึงไม่ได้สมาธิ ไม่ได้ปัญญาต่อเมื่อสงบนิวรณ์เสียได้หรือว่าสงบปริยุท ธ, ธานะคือกิเลสที่ปล้นจิตทำจิตใจให้กลัดกลุ้มบุญวายนี้เสียได้นั่นแหละจึงจะได้สมาธิจึงจะได้ปัญญาการปฏิบัติกรรมฐ า, านจึงจะสำเร็จเป็นขั้นตอนขึ้นไปได้ อิเลตอย่างละเอียดก็ได้แก่อาสะวะสามคือกามาสะวะภาศสะวะอวิชชาสะวะหรืออนุสสยสามคือราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยและอวิชาอนุสัย ดังที่กล่าวแล้วสำหรับอาสวะและอนุสัยอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่แสดงไว้เป็นสองชื่อนี้ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะ ก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสสยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะกามแปลว่าใครราคะแปลว่าติด คือติดใจกามกับราคะนั้นก็หมายถึงกิเลสกองความยินดีด้วยกันราคะความใคร่ก็เป็นกิเลสกองยินดี ราคะความติดใจก็เป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าชื่อจะต่างกันก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันข้อสองในส่วนอาสวะ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 อันเรียกว่าอัตมิมานะหรืออัตมิทิฐิหรือว่าเรียกรวมกันว่าอัตมิมานะทิฐิความเห็นนับถือ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 เมื่อมีเรามีของเราเป็นของเราขึ้นเรานี้เองก็เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเพะฉะนั้นจึงต้องมีเราคือเป็นเราขึ้นก่อนซึ่งเป็นตัวพบซึ่งเป็นต้นเดิม นี่คือพบในส่วนอนุสัยข้อสอง้แก่ปฏิฆาอนุสัยอนุสัยคือปฏิฆาที่แปลว่าการกระทบกระทันดูห้อยคำแล้วต่างกัน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 เมื่อมีใครมาสันเสริญว่าในกอนางขอดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตัวในกอนางขอนั้น ย่อมมีตัวพบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราคือมีตัวเราอยู่ในในกอนังขออันเป็นตัวพบซึ่งเป็นต้นเดิมนางกล่าวนั่น ตัวเราซึ่งเป็นในกรณังคอนนั้นก็ออกรับคำสนเสริญคำสนเสริญนั้นก็แปลว่ามีที่กระทบเพราะว่ามีตัวเราของในกรณังค์ออกรับก็มีปฏิคะคือการกระทบขึ้นแต่ว่าเป็นการกระทบในด้านทำให้ยินดี เราเป็นคำสนเสริญแต่ถ้าเป็นคำดินทาว่าร้ายตัวเราของในกอนังของก็ออกรับคำดินทานนั่นก็มากระทบตัวเราของในกอนังของเข้าก็เกิดความขัดใจยินร้าย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 เมื่อไม่เอาตัวเราออกรับคําลินทาหรือสรนเสริญนักปุ น, นั้นก็ผ่านไปผ่านไปไม่ทําให้มันเกิดความยินดีไม่ทําให้มันเกิดความยินร้ายเพราะว่าไม่มีตัวเราของในกอรังขอออกรับการกระทบแห่งคําสรนเสริญหรือคําดินทาดังกล่าว เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูที่จิตใจของตนเองของทุกๆคนแนละ้วก็จะรู้สึกได้เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาใครเข้ามายกย่องก็พอใจกระหอบมีตัวเราออกรับมีใครเข้ามานินทาว่าร้ายก็ขัดแค้งโกรธเคืองก็เพมีตัวเราออกรับ คือออกรับการกระทบการกระทบความบังเกิดขึ้นอันนีเรียกว่าปฏิฆาทนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องทำสติให้มีความรู้ดังนี้และไม่เอาตัวเราออกรับแต่ว่ารู้ได้ยินเห็นแต่ไม่เอาตัวเราออกรับ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 ความยินดีความยินไล่ต่างๆตลอดจนถึงกรรมต่างๆที่สืบเนื่องไปก็บังเกิดขึ้นเพราะมีตัวเรานี่แหละออกรับปฏิฆาคือการกระทบตับังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพบกับปฏิฆานี้จึงเนื่องกันดังนี้ ในส่วนข้อสามนั้นก็ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานอนุสัยอนุสัยคืออวิชชาซึ่งเป็นอันเดียวกันต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป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 นอกน้อมธมัสการ์ประปูมีประภาสอาระหันตสมมาสมุทธิเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมประสงค์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล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 อาสวะสามกสวะอาสวะคือกามกามนั้นมีสองอย่างคือกิเลสกามกาม คือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลสกับวัตถุกกรมกรมคือวัตถุอันหมายถึงพัสดุหรือสิ่งที่น่าใคร่ ที่ใครที่ปรารถนาะที่พอใจทั้งหลายวัตถุกรมกรมคือพัสดุดังย่อมเกิดขึ้นจากกิเลสกรม กามที่เป็นตัวกิเลสคือความใคร่ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจต้องมีกิเล ส, สกามขึ้นก่อนและเมื่อกิเล ส, สกามไปใคร่ ปรารถนาต้องการซึ่งพัสดุหรือสิ่งอันใดพัสดุหรือสิ่งอันนั้นก็ได้ชื่อว่าวัตถุกรรมถ้าหากว่า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 หรือพัสดุหรือสิ่งที่ใครที่ปรารถนาะที่พอใจนั่นก็รวมเข้าในการมาคุณทั้งห้าโดยมากรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่น จมูกได้ทราบรสที่ลิ้นได้ทราบและผลพระสิ่งถูกต้องที่กายได้ถูกต้องโดยมากแสดงเอาไว้ห้าและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากามาคุณ เพราะว่าคนโดยมากนั้นติดในข้อที่เป็นคนุณคือข้อที่น่าพอใจน่ารักใคร่น่าปรารถนาใน รูปเสียงกลิน่นรสผลิภัพฑสิ่งถูกต้องเหล่านี้มักจะมองไม่เห็นกามมาทินบคือโทษของกรรมซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้เนืองๆว่ากรรมทั้งหลาย มีส่วนที่น่าพอใจหรือจะเรียกว่าคุณน้อยแต่ว่ามีอาทีนบคือโทษมากและได้ตัดแสดงจำแนกโทษไว้ต่างๆและแม้จะ รัแสดงโทษของกรารไว้ต่างๆแล้วเป็นอันมากก็ยังมีประวัติแสดงไว้ว่าได้มีภิกษุสมณ น, นบางรูปไม่แลเห็นโทษ กล่าวคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่วาคอที่พระพุทธเจ้าหรักไว้ว่ามีโทษนั้นหาได้มีโทษจริงไม่จนถึงเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายพากันติเตรียน และกราบทูลพระพุทธเจ้าลุกเุทเจ้าก็ได้ตรัสโอวาทสั่งสอนจนถึงบัญญัติเป็นพระวินัยไว้บางข้อเกี่ยวกับเรื่องคัดค้านคำสั่งสอนขอ ง, ของลุกธเจ้านี้ข้อที่คัดค้านนั้นข้อหนึ่งก็คือเรื่องกามนี่แหละ ที่ยังพากันมองเห็นแต่ส่วนที่เป็นกรมมาคุณแต่ ว, ว่าการมมาโทษโทษของกรรมนั้นมักจะมองกันไม่เห็นและกรมที่เป็นอาสวะ หมายถึงการคือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลสซึ่งดองจิตสันดานอยู่ในภายใน โดยปกตินั่นทุกคนก็ยอมไม่รู้สึกในกามที่เป็นอาสวานิของตนที่มีอยู่เพราะเป็นอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นท่านจึงมีเปรียบเหมือนอย่างตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุมน้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดในเมื่อตะกอนนั้น